ข้อที่46แม้ครูทั้ง6มีปุรณะกสป่าเป็นต้นปติญญาว่าพวกเราเป็นผู้ตรัสรู้เฉพาะอนุตตรสัมมาสัมพธิยญาณดังนี้ยังตนให้พินาศเพราะกรรมที่ตนถือชั่วพวกคนอันพานเป็นอันมากแม้ผู้ชอบใจทิฐิของครูทั้งหนั้นก็ถึงความพินาศจริงอยู่คนเหล่านั้นแม้ทั้งหมด มีทุกติเป็นที่ไปในเบื้องหน้าทั้งนั้นพุทธจาว่าก็ครูทั้งหกนั่นได้นามว่าปุรณะเป็นต้นเพราะเหตุไรกบรเจ้าเจอกล่าววิสัญนาวงเล็บเปิดดังตอบไปนี้วงเล็บปิดดังได้สดับมาตระกูลใดตระกูลหนึ่งมีทาตเ9้คนท่าดคนหนึ่งเกิดมาก็เต็มในวงเล็บ 100คนด้วยเหตุนั้นพวกนายจึงตั้งชื่อทานคนนั้นว่าปุรณะก็พวกนายจะพูดว่าการงานอันปุรณะนั้นทำดีทำชั่วหรือว่ายังไม่ทำทำแล้วย่อมไม่มีเพราะเขาเป็นทานผู้เป็นมงคลเขาคิดว่าเราจะมีประโยชน์อะไรด้วยการอยู่ในที่นี้จึงหนีไปครั้งนั้น พวกโจรได้ชิงผ้าของเขาไปเขาเมื่อไม่รู้แม้จะปกปิดด้วยหญ้าและใบไม้ก็เป็นผู้เปลือยกายนั่นแหละเข้าไปสู่บ้านตาบลหนึ่งพวกมนุษย์เห็นเขาเข้าสำคัญว่าบุรุษนี้เป็นสมณะเป็นพระอราหันต์มีความมกน้อยบุคคลอื่นเช่นบุรุษนี้ไม่มีดังนี้จึงได้ให้ขนมและข้าเป็นต้นเขาคิดว่า ขนมและข้าวเป็นต้นนี้เกิดขึ้นเพราะความที่ เ, าเราไม่นุ่งผ้าดังนี้ตั้งแต่นั้นแม้ได้ผ้าแล้วก็ไม่นุง่งเขาได้ถือเอาเพศเปลื่ยนั้นนั่นเองทำให้เป็นบรรพชาพวกมนุษย์500คนบวชในสำนักของเขาปุรณะนั้นนั่นแลได้นามด้วยอำนาจโคดว่ากรสปะส่วนบรุษคนหนึ่งเป็นทาสของนายผูหนึ่ง แบกหมอ้อน้ำมันเดินไปบนแผ่นดินอันมีเปลือกตมอันนายกำชับว่าอย่าลื่นนะพ่อก็ลื่นด้วยความเผลอเพราะความกลัวนายจึงเริ่มจะหนี่ไปนายได้วิ่งไปฉุดชายผ้าไว้เขาทิ้งผ้าแล้วเป็นผู้ไม่มีผ้าหนีไปคำที่เหลือเป็นเช่นกับบุรณะนั่นเองมคคิรินั้นนั่นแหละเรียกกันว่า โคสาลัก็มีเพราะเกิดในโรงโคส่วนบุตรผู้หนึ่งได้นามว่านิครนเพราะเป็นผู้มีปกติกล่าวอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายไม่มีกิเลสเครื่องร้อยรัดเราทั้งหลายเป็นผู้เว้นขาดจากกิเลสเครื่องร้อยรัดเรียกกันว่านาตบุตรเพราะเขาเป็นบุตรของนักฟ้อนก็กิเลสเครื่องพัวพันชื่อว่ากิเลสเครื่องร้อยรัดในคํานี้ กิเลสมีราคาเป็นต้นของเขามีความพัวพันในเรือนเป็นกิจมีนาสวนบุตรและทาระเป็นอาธิเป็นอารมณ์ฝ่ายบุรุษผู้หนึ่งเขาเรียกกันว่าสัญชัย้วยอานาจนามและว่าเวรัตบุตรเพราะเป็นบุตรของช่างศาลส่วนบุรุษผู้หนึ่งเขาเรียกกันว่าปกุฏะ้วยอานาจนาม แล้วว่ากจัยยะนะด้วยอำนาจโคตรมารดผู้นี้ห้ามน้ำเย็นจิงอยู่เขาถ่ายอุจาระก็ดีกินข้าวก็ดีถูของไม่สะอาดอะไรๆเพื่อนก็ดีก็ไม่ทำกิจคือชมราด้วยน้ำได้น้ำร้อนหรือน้ำข้าวแล้วจึงทําข้ามแม่น้ำหรือน้ำในทางก็เข้าใจว่า ศีลของเราขาดแล้วดังนี้ตะล่ำทายทำเป็นจอมด้วยอานาจวัดอธิษฐานศีลแล้วจึงไปบุรุษผู้นี้ถือลัที่หาสิริไม่ได้เห็นป่านนี้ส่วนบุรุษผู้หนึ่งเขาเรียกกันว่าอชิตะด้วยอานาจนามและ ว, ว่าเกศกัมพละเพราะวิเคราะห์ว่าทรงไว้ซึ่งผ้ากําพลที่ทำด้วยป ม, มนุษย์ ดังนี้แลเรื่องครูทั้งหกมาในอธัธกถาสามัญญผลสูตรคนพานทั้งหลายย่อมยังตนและหมู่ชนผู้ทำตามคำของตนให้ชีบหายเพราะกรรมที่ตนถือชั่วด้วยประการชนี้แล